ชาวนี้ก็จะปรัธรรมเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิดคือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกไว้สามข้อข้อที่หนึ่งพระ อ, องค์ทรงบอกว่าให้พระภิกษุ ส, สงฆ์เนี่ยสํารวมในศีลพระปาฏิโมกข์ส่วนโยมก็คือสํารวมในศีลแปด ที่สองพระองค์ตรัสบอกว่าให้สํารวม IN C, IN C อินทรีอินทรีหกข้อที่สามพระองค์ทรงบอกว่าให้รู้จักฉันระตาหารหรือรับประทานอาหารแต่พอดี เรียกว่าโพชเนมัตตัญยุตตาเนี่ยคือเป็นหลักใหญ่ๆถ้าใครปฏิบัติตามหลักนี้ชื่อว่าไม่ผิดตามหลักพระธรรมวินัยปฏิโมขสังวร สังวรหมายถึงสำรวมระวังอย่าให้ละเมิดศีลหรือผิดศีลพระนี่ก็คือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อฉะนั้นทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่าเนี่ยควรจะดูหนังสือ น, นับกวาดดูบ่อยๆจะได้เข้าใจเรื่องของศีลของตัวเองที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจจะต้องรู้จะต้องดูเรื่องของศีลให้เข้าใจ ถ้าไม่อย่างนั้นนะปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดมันก็จะเป็นบาปติดตัวไปจนข้ามภพข้ามชาติไปประราชิกสี่ประราชิกสี่ข้อเนี่ยคือใครทำไปแล้วขาดจากความเป็นพระเลย หนึ่งแกล้งฆ่ามนุษย์ในตายเนี่ยเสค่าโดวยวิธีใดกันแล้วแต่หาจาความเป็นพระโดยอัตโนมัติสองลักของเขามีเจตนา อย่างได้ของเขาที่มีค่ามีราคาเลยหนึ่งบาทขึ้นไปพระเราในพูดตามธรรมแล้วเรามีค่าแค่บาทเดียวถ้าไปลักไปขโมยของคนอื่นเขามีค่าหนึ่งบาทขึ้นไปในพระไตรปิฎกเขามีความเห็นไว้หลายอย่าง แต่โดยประมาณแล้วก็คือประมาณห้ามาศเป็นภาษาอินเดียจะเทียบกับเงินไทยก็หนึ่งบาทขึ้นไป 3. เสฟเมถุนคือร่วมรักร่วมเพศกับเพศตรงกันข้าม เทศเดียวกันก็เรียกพวกบันดอโดยจะพูดใน้ชัดลงไปขเขาเรียกว่าพวกกระเทยตามหลับทาคําสอนของพระพุทธเจ้าห้ามบวชเขาห้ามบวชนะพวกนี้ ขวดแลวทำให้ศาสนาเสื่อมเสียองค์กรอง์รวมเสียเพราะพวกนี้มีจดิตนิสัยถ้าเป็นหญิงก็อยากเป็นชายถ้าเป็นชายก็อยากเป็นหญิงอะไรประมาณเนี้หรือแม้แต่ร่วมเพศกับสัตว์เดรัจฉาน สัดเดรัฉานคืออะไรช้างม้าโคกระเบืออะไรประมาณเนี้สุนักสุกรอะไรเนี่ยขาดจากความเป็นพระเลยขาดโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปขึ้นศาลอะไรทั้งนั้น ถึงบวชอีกเป็ ก, อ, กอีกก็ไม่เป็นตุไม่เป็นพระชาตินี้ทั้งชาติหมดโอกาสเลยจะหนีไปบวชภาคใต้ก็ไม่ได้หนีไปบวชภาคอีสานก็ไม่ได้เขาเรียกว่าบวชไม่ติดยติไม่เข้า ห้ามนิพพานไปนิพพานไม่ได้แต่ไม่ห้ามสวรรค์สร้างคุณงามความดีก็ไปเกิดเป็นเทพประภูเทพธิดาได้ข้อที่สี่ก็คืออวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนบาง ท่านบางองค์บางลูกบางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ลูกศิษย์นี่สำคัญจกย่องครูบาอาจารย์ว่าเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดามันขึ้นไปถึงพระอรหันต์นักสี่ผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโรกุตระธรรมเก้า หรือสมาบัติแปดสามสมบัติก็หมายถึงสมบัติในปัจจุบันเนี่ยใครได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่เรียกรวมกันเรียกว่าสมาบัติแปดแต่ไปอวดไปพูดคุยโวโอ้อวดให้คนอื่นเขารู้ อยากให้เข้ามาเรื่มใสสศัธาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็ขาดจากความเป็นพระโดยเฉพาะพวกแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเนี่ยอันตรายพระพุทธเจ้าจึงห้ามไงห้ามไม่พระแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาร ในครั้งพุทธการก็มีพระเหาะขึ้นไปเอาบาตรมีมีพรามันท้างแกก็เลยแสดงฤทธิ์กระปาพระองค์ถามก็ส่งตอบว่าใช่พระองค์็ทสงตำหนิอิธฉริตปาติหารเนี่ย มาถึงแส ด, แดงฤทธิ์ได้เหาะเฮินโดยอากาศได้อภุดง่ายๆเดี๋ยวนี้ดูดิบางรูปบางองค์ก็เหลือเชื่อเหลือดูกันแล้วเองหลงพ่อจะไม่ไปเอ่ยชื่อใคร อิทธิิปฏิหารินพระองค์ทรงตำหนิว่าไม่ดีไม่ควรไปแสดงอเทศน า, ปานปาฏิหาริทายใจคนได้อันนี้พระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญตาหนิลิ์พวกนี้เป็น เป็นพวกโลโกิยะเป็นฤทธิ์ที่ใครก็ทำได้ถ้าสามารถฝึกสติให้เกิดสมาธิเกิดฌานเธอแดงได้หมดไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เลวกว่าพระวันเนน ถ้าฝึกถึงนะฝึกถึงนะที่แสดงไม่ได้ก็เพราะฝึกยังไม่ถึงจิตยังไม่ถึงยังไม่เข้าขัน้นก็เลยแสดงอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จะิ่ทายใจคนอื่นมันก็ไม่พ้นทุกข์ไปรู้ใจเขาแทนที่จะพ้นทุกข์ไปเพิ่มทุกข์อีก รูวคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้อนุสาสนีปาฏิหารเนี่ยพระองค์ทรงสรรเสริญคือสอนคนชั่วให้กลับกลายเป็นคนดีเนี่ยพระองค์ทรงสรรเสริญคนชั่วหมายถึงคนไม่ดี คือไม่ดีก็แล้วกันเขาเรียกคนชั่วหรือคนร้ายผู้ร้ายมันไม่รู้จักชั่วดีแม้แต่พ่อแม่มันยังฆ่าได้เลยเาเรียกว่าผู้นิยามันไปทำลายใจจิตใจมันพลิกผันเขาเรียกภาษาธรรมวิปลาสจิตใจวิปลาส ่าไปเชื่อนะลูกใครก็แล้วแต่ถ้ามันไปติดยาเสพติดเนี่ยอย่าไปไว้ใจมันไม่ได้มนะันปาดคอได้ง่ายๆนะมันขอเงินไม่ให้มันเนี่ยเพราะจิตขวิปลาดไม่ใช่จิตธรรมดาอย่างพวกเราเหรอกใจมันเห็นผิดพวกนี้อันตราย ลูกหลานหรือคนที่มันติดเนี่ยเราก็พยายามอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปสูงสิงออกห่างเนี่ยต้องสำรวมระวังปฏิโมกข์สังวรสำรวมระวังอย่าให้ผิดศีลพระเนี่ยราชิกสีนี่สำคัญ ผิดก็าขาดเลยถ้าขาดแล้วทำไมก็ต้องลาศิกขาลาเพศไปอยู่ในเพศต่ำละ่ะไอ้พูดตามธรรมไม่ได้ว่าพูดเอาเองหลักธรรมท่านเขียนไว้อย่างนี้เพศของพระเนี่ยเขาเรียกอุดมเพศอุดม เทติอุดมเดี๋ยวถือบาทออกไปก็ได้ฉันละมีเทปปุตเทธิดาเขาเริ่มใส่สถานในคุณของพระรัตนไตรบางคนใส่บาทจนตายเลยหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สามสิบกว่าปีแล้วมาตั้งแต่ปีสองเก้าเนี่ยนี้มันเท่าไหร่เลีย เจ็ดละสามสิบเจ็ดปีสามสิบแปดปีโยมที่แม่สวยเนี่ยก็ใส่ทุกเช้าตอนเช้าก็มานั่งหน้าบ้านตักบาตจนวันตายเลยโอ้โหโยมแม่เวลาแกตายหลวงพ่อก็ไปสวดไปรเทศให้แก พวกนี้เขาเรียกว่าทานวันไหนไม่ได้ตัดปาฐทาบุญเนะี่ยเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าอาจินตนกรรมบุญที่ทำเป็นประจํานยให้ผลให้ผลตอนไหนให้ผลก่อนตายคนเราจะตายเนี่ยมันจะมีกาเรียกว่ากรรมนิมิต คนอื่นไม่เห็นน่ตัวเราจะตายเห็นเองบางคนก็เห็นเทพประบุษเทพธิดา ม, มารอรับพวกนี้ไปดีไปสวรรค์บางทีก็เห็นยมบาลมารอรับพวกนี้ต้องเอาไปตัดสินอีกทีว่าระหว่างบา ป, ประบุญอะไรมันมากกว่ากันถ้าบาปมากก็เคลียลงนรกไป ถ้า บ, บุญมากก็เคลียขึ้นสวรรค์ไปเขาเรียกว่ากรรมนิมิตเห็นกรรมของตัวเองเคยฆ่าโคฆ่ากระบือฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าสุกรฆ่าสุนัขฆ่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมาปรา ก, กฏให้เห็นไอ้ตอนเราจะตายมันมาทวงบางคนบอกกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเคยไปฆ่าเขาไว้เขาก็จะมาเอาคืนตอนนั้นควบคุมสติอะไรไม่ได้ละเพราะเวทนามันไปนกัน้น เ, เวทนาคือความสุขทุกข์บางทีความทุกข์มันไปนกัน้นกันไว้ไม่จิตไปสู่ที่ดีจิตใกล้จะตายเนี่ย หันิมิตรผุดขึ้นเลยผุดขึ้นที่ใจเลยฉะนั้นเราจึงมาเน้นที่ใจกันมาฝึกใจกันฝึกไว้ตอนไหนฝึกไว้ตอนใกล้าตายมันจะได้มีสติรละลึกรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเคยมาบวชเคยมาปฏิบัติธรรม จะได้นึกได้มันจะได้เห็นเป็นนิมิตติดตาติดใจก่อนใกล้จะตายจิตมันจะเคลื่อนไปปุ๊บปุ๊บไปตกพวังหยุดอยู่นิดนึงพอหยุดนิดนึงมันก็ไปและคติไปเกิดตามกรรม สุขติทุกติจิตเตสังกติเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตเป็นสุขจิตนี้ก็จะไปดีไปสู่ความสุขเช่นสวรรค์พรหมเป็นต้นจิตเตสังเกติเถ ท, ทุขติปาติกังขาเมื่อจิตจ่อนตายนี่จิตเป็นทุก ตุรนตุลายตุกติเปลี่ยนที่หวังได้ก็หมายถึงนรกเปรตสุรกายสเดราชาณเนี่ยจิตมันจะไปอย่างเงี้ยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านตัดไว้อย่างนี้ฉะนั้นเรารักษาจิตรักษาใจให้ดีก่อนตายเนี่ย พยาามฝึกสมาธิทุกวันกลับไปบ้านก็ฝึกได้วันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงก่อนจะหลับจะนอนแล้วก็กราบพระซะแลก็นั่งภาวนาทุกวันให้มันติดทําดีทําให้มันติดดีมันจะได้มีดีติดใจ อย่างนั้นไม่มีอะไรติดใจเลยเพอจะตายกเฟ้งฟางเลยจับอะไรไม่ได้เลยห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลึ่นคานพวกนี้ก็เป็นงูเหลือมเฝ้ารั์บางคนเฝ้าเป็นร้อยปีก็มีแต่ไม่รู้ตัวหรอก จิตมันเป็นห่วงอย่างนั้นเราพูดเรื่องปาติโมกัสังวรสำรวมปาราชิกสีังกาติเศสิบสามมนิยตสองนิสกีสามสิบปาจิ ต, ตีเก้าสิบสองปติเทติยะสี่เสขีวัตเจ็ดสอธิกรณะสมถะอีกเจ็ด เราต้องอ่านและก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องะวินัยไม่ใช่บวชไปเรื่อยๆบวตตามกันไปมันบวชได้แต่มันไม่ดีบวชที่ไหนก็ได้แต่ที่นั่นมีการสั่งสอนไหมละ่ะมันต้องได้รับการสังสอนจากอุปชาอาจารย์ทุกเช้าค่า มันจะได้ช่วยขัดเก่าจิตใจให้ที่มันมืดบอดเนี่ยให้มันสว่างบ้างมันก็จะเป็นคุณกับตัวเราเองอะแต่ถ้าเราไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นก็มันมืดบอดเขาเรียกว่ามามืดไปมืด อย่างน้อยก็เรามามืดไปสว่างไปสู่ที่ดีบางคนก็มามืดไปสว่างบางคนก็มาสว่างไปมืดบางทีเกิดในสกุลที่ดีๆตระกูลดีๆมีทรัพย์สินสะดึงขานมีชื่อเสียงเกีดยรติยศแต่ ความประพฤติเราไม่ดีนี่เขาเรียกว่ามาสว่างไปมืดเห็นบรรลกคนล่ำคนรวยบางคนบางคนบางตระกูลติดยาเสพติดหรือไม่ก็เกกมะเลกเกเลเป็นโจรเป็นหัวเดื อ, อกหัวเดือ เป็นบุกคลพานพาระพานผานานีแปลว่าอ่อนใจอ่อนใจไม่เข้มแข็งแพ้กิเลสล่ำไปแพ้ความโลภแพ้ความโกรธแพ้ความหลงแพ้สู้ไม่ได้เพราะใจอ่อน ก็เลยตกเป็นธาตุของสิ่งไม่ดีส่วนมากนะเป็นอย่างนั้นข้อที่สองอินทรีสังวรอินทรีหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปคืออะไรคือตาเขาเรียกจักสุตินี ความเป็นใหญ่ในการฟังเสียงคืออะไรคือหูขอเขาเรียกโสตตินสีความเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นคืออะไรคือจมูกขเกขาเรียกคานตินรีความเป็นใหญ่ในการรู้รสคืออะไรคือลิ้นขเขาเรียกชิวหาตินสี ความเป็นใหญ่ในการสัมผัสร้อนเย็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกกา ย, นกายเนี่ยกายเราเนี่ยกายตินสีความเป็นใหญ่ในการนึกคิดคืออะไรคือใจอันนี้เราต้องสำรวมให้ได้ตาหูจมูกริ้นกายใจหกเนี่ย พยายามสำรวมไว้ไม่ให้ไม่ให้มันออกไปนอกกรอบของศีลธรรมถ้ามันออกไปแล้วก็ตบมันเข้ามาฮะโดยสมมุติใจต้องมีสติปกครองใจใครจะไปปกครองใจได้หลวงพ่อก็ปกครองไม่ได้ใจใครใจมัน เราต้องปกครองใจเราเองด้วยสติคือตัวรู้รู้ว่าอะไรมันผิดแล้วก็ไม่ทำรู้อะไรมันถูกแล้วก็ทำไปแค่นั้นนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรสํารวมระวังก็สุดท้ายก็คือโพชเนมตตัญญุตารู้จัก รับทานอาหารแต่พอดีเช้ากับเพนเนี่ยพอแล้วยกเว้นแต่อาภายหรือไม่สบายหมอก็สั่งก็มีอนุโลมยกเว้นอยู่แต่สบายดีเนี่ยเราอย่าไปทานอย่าไปฉันตอนเย็นมันไม่มีประโยชน์อะไรทานตอนเย็น กินแล้วก็นอนนะไม่มีประโยชน์อะไรทีประโยชน์อย่างเดียวคือเรื่องของกามแค่นั้นเองต่อนั้นะไม่มีประโยชน์เลยพูดตามธรรมนะดังนั้นเราต้องฝึกอด <c oughs> มื้อเย็นนี่อดเลยไม่ต้องไปกินอะไรทางนั้นน่ะถ้ากินแล้วมันก็จะคุ้นชินคุ้นเคย นิสัยมันจะเคยชินแล้วก็ติดนิสัยไปจนตายแนะกดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้สู้สู ส, ส, สู้สู้กิเลสไม่ได้สู้ความหิวไม่ได้มันจะไปชนะอะไรนะชนะอะไรไม่ได้ดังนั้นเราต้องเป็นผู้ชนะ โดยเฉพาะชนะกิเลสชนะคนอื่นหมื่นแสนไม่พ้นทุกข์แต่ชนะตนเองครั้งเดียวในพ้นทุกข์เลยชนะใจตัวเองเลยนะคือ ใ, ใจมันอยู่ในหลักศีลธรรมไม่ให้ใจมันออกไปนอกกรอบศีลธรรม ถ้าใจมันอยู่ในกรอบศีลธรรมกายวาจาไม่ต้องไปรักษามนะัน่ะมันเป็นเองโดยอัตโนมัติคือมันดีเองอะ่ะพระใจดีการพูดก็ดีการกระทำก็ดีดีหมดทุกคนอยากได้ดีแต่น้อยนักที่จะทำดีโบราณท่านจึงประพันธ์ไว้ว่า อยากได้ดีไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่อยากขากไม่ทำหน้าขาหนออยากได้ดีต้องทาดีอย่าดีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยเห็นไมความดีมันอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปอยู่ที่คนอื่นไม่ต้องไปขอดีกับใครเราทำตัวเราให้มันดีมันดีเอง เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะดีที่สุดอนเช้านี้ก็ปารบธรรมรับอรุณเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิดหนึ่งว่าอย่างไงหนึ่งลว่าเดี๋ยวข้อที่หนึ่งว่าอย่างไงเห็นไหมนะฟังกันเฉยๆไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ย สํรวมในพระปาติโมกข้อสองว่าอย่างไงจํารวมอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปคือตาความเป็นใหญ่ในการฟังเสียงคือหูความเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นคือจมูกความเป็นใหญ่ในการรู้รสคือลิ้นความเป็นใหญ่ใน การสัมผัสร้อนเย็นคือกายความเป็นใหญ่ในการนึกคิดคือใจเราต้องรู้ต้องเข้าใจไม่เข้าใจมันปฏิบัติไม่ถูกหรอกมันก็นั่งคือบื้อไปอย่างนั้นแหละสวดมือก็สวดไปอย่างนั้นน่ันต้องมีสติสมาธิปัญญาครบเราจรึงจะยกจิตยกใจเราขึ้นได้ อย่างนั้นยกไม่ขึ้นหรอมันยกหนักมันหนักหนักใจต้องฝึกให้มันเบาจิตตระหูตาจิตมันเบากายระหูตากายมันเบาสังเกตุที่เดินจงกรมมากๆเดินเป็นวันครึ่งวันเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนก็ลอยเลย เพราะมันเบาไงมันม ah! ีความรู้สึกมันเบากายเบาใจเบากสบายเอาละจบไว้แต่เพียงตัวนี้ขอความรู้จริงเห็นจริงในพระธรรมจะมาเกิดขึ้นกับท่านบุฟังโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านทุกๆคนเธอทุสาทุสา อนุโมทามิ